อาจารย์ครับการรำวัฒนการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสามสิบหกนะครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เมื่อเช้าอาจารย์วินาศบัตรคนเยอะไหมครับก็ประมาณเท่าเดิมสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดนี่ร้อยสีสิบเจ็แต่ออนไลน์อีกสองร้อยกว่าไหมครับประมาณสองรอยกว่าครับผม วันนี้ตอนบ่ายผมได้มีโอกาสฟังพระอาจารย์ตอบคำถามมีคนฟังอยู่แปดร้อยใช่ไหมครับอาจารย์อประมาณแปดร้อยปรมาณทั้งหมดที่หน้าศาลาที่หน้าตึกประมาณร้อยห้าสิบกว่าครับผมพระอาจารย์หายปวดฟันหรือยังครับผมพระอาจารยหายแนละ้วปวดไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ปวดแนละ้วครับผมแต่ต้องรอยของเงินถึงจะฟังลากเทียมได้เพราะว่าต<ม>อนนี้ก็ต้องปลูกปลูกกระดูกไทยปลูกกระดูก อ๋อเลมครับผมผมเห็นมันแรงเต็มเลยนะครับอาจารย์นั่งปัดกันอ<ร>ช่ว ง, งาานี้ไม่สร้างไ ม, ม่เวมาแต่ไหนไม่ทราบมาเป็นช่วงผิดปกติธรรมดา ห, หน้าหนาวแล้วมันน้าที่ไม่ได้แบบนี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรข <c oughs> ยันกระชับใจมันครับผมแล้วอย่างนี้มันเป็นปริภูมในการนั่งสมาธิไหครับอาจารย์ครับมันก็มีส่วนถ้าเรา จิตใจที่มันข้างที่จะยังไม่มีสติมั่นคงพอก็อาจจะต้องทุกข์ทรมานกันนะเพราะมันจะมาคอยรบกวนครับท่นส่วนใหญ่ก็ต้องหาวิธีแก้คือเช่นไปนั่งถ้าพัาทุดงนัน้นก็มีมงงุ้งถ้าก็ับไปนั่งในมุ้งในกรดไม่จำเป็นจะต้องเปิด เ, ออเปิดตัวเองให้กับ ควาทุกแบบนี้ถ้าเรายังไม่มีความจเป็นรเราก็เลียงเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงเลียงไปไปนั่งในที่ที่มันไม่มีเช่นในกุฏิถ้ามีกุฏิที่มีมุง้งลวดแล่านั้นแต่ถ้ามันต้องออสแสดงธรรมแล้วคนก็ว่าความมันไม่มีฐามเบื้องต้นก็เลยต้องแล้วแต่แล้วคนจะหาวิธีแก้ไขไปบางคนก็เอามุ่งมาครอบศีรษะบางคนก็เอาผ้ามาพาันครับผม แต่ก็ยังยังรู้สึกว่ามีคนไม่ไม่ถอยมานัเป็นพระเจ้าอย่างก็ไม่มีใครบ่นด้วยไม่มีใครบน่รบนอะไรท้งคนก็เหมือนกัว่ายอมรับสภาพภาความเป็นจริงครับจิตใจให้อยู่กับความเป็นจริงรใจเราก็จะไม่ทุกข์ อาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อกายเวทนาจิตธรรมครับพระอาจารย์ครับอยากขอปัญญากับพระอาจารย์จากเรื่องนี้ครับผมกับขอความเมตตาครับกายเวทนาจิตธรรมนี่ก็เป็นอทำรรที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นี่ท่านแสดงไว้เรื่องขอกายเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตแลก็เรื่องของธรรมเป็นสีเรื่องที่เราจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจเพราะว่าเรามีปัญหากับกายเวทนาประจิตที่เราทุกข์กันทุกวันที่ก็ทุกกับเรื่องกายหนึ่งเรื่องเวทนาหนึ่งแล้วก็เรื่องจิตคือเรื่องอารมณ์ที่เราไม่รู้จักวิธีจัด ก, การกับมันหรือปฏิบัติกับมันให้อย่างถูกต้องเราก็เลยวุ่นวายกันไปครับครับ ธรรมทั้งสามนี้คือกายเวทนาจิตส่วนธรรมนี้ก็เป็นธรรมที่มันเราสามารถนำมาใช้เพื่อเพื่อกําจัดเนื้อเพื่อกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราเปไปไปมีความผูกพันกับกายเวทนาจิตเลยต้องใช้ธรรมเป็นเครื่องมือในการศึกษาธรรมชาติของกายเวทนาจิตก็คือต้องมีธรรมเช่นไปรักเมรุญาตศรี ถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องศึกษาแล้วก็เอามาเอาเข้ามาใช้ในใจเราถ้าเราไม่ได้มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้จักตายรักไม่รู้จักอริยสัจีเราก็จะไม่รู้จกัจ ก, าา ก, จกวิธีที่จะปฏิบัติกับการเวทนาจิตได้อย่างถูกต้องคือไม่ต้องไปทุกข์กับมันอันนี้เราทุกข์กับมันเรื่องร่างกายนี่ไม่มีใครจะบอกว่าไม่ทุก บกที่ถึงคำว่าแกเ่เจ็บตายนี่มันก็ถูกกันขึ้นม า, นะนาตอนนั้นที่ยังไม่เจอมันเลยวิทยาก็คือความเจ็บปวดของทางร่างกายแล้วก็วิถัจิตก็คือเรื่องของอารมณ์เศร้ามอ ง, งต่างๆอารมณ์เครียดอารมณ์วิตกกั ง, งวลอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราเจอมันทั้ทุกวันเนี่ยทั้งสามอย่างนี่จะเจอมากเจอน้อยก็แล้วแต่การ แล้วก็จะทุกมากทุกน้อยก็อยู่ที่ธรรมะที่เรามีในใจถ้าเรามีธรรมชนะเห็นทุกอย่างว่าเป็นตายรับเนี่ยเราก็สามารถที่จะไม่ทูกกับมันได้เช่นเห็นว่ารางกายนี้มันไม่เทียมมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนัตตามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นตัวเราของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับได้ ที่เราทุกข์เพราะเราอยากจะไปควบคุมลองคาดมันอยากให้ร่างกายเราอยู่ไปนนานๆอยากให้ร่างกายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายกัน <sociaux> แต่เราก็ไม่สามารถทํามันได้เพราะเราต้องเจอกับสภาพที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็จะเครียดเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะเราอยากจะทําตามใจอยากของเราเราอยากจะให้ร่างกายของเราอยู่ไปนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายแต่มันก็ทําไม่ได้ เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่ไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสไปสั่งมันได้พระเจ้าทรงสอนแล้วเรารู้จักธรรมชาติของกายวิทยาจิตแล้วมันเป็นอนิอนจนจทุกขงังอนัตตาคือกายก็ไม่เที่ยงไปนอ น, นัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราอยากย้ให้มันเที่ยงอยากจะควบคุมบังคับมันเราก็จะทุกข์วิธีที่ทําให้เราไม่ทุกข์ก็คือ เข้าใจมันแล้วก็ยอมรับกอบความจริงของมันร่างกายไม่เที่ยงก็ต้องยอมรับมันไม่เที่ยงมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องยอมรับถ้าเรายอมรับมันได้ทาใจเฉยๆอยู่กับมันไปเราใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานเช่นเดียวกับเวทนาคือความรู้สึกมันก็มีสามความรู้สึกด้วยกันสุกมีทุกข์มีไม่สึกไม่ทุกข์ ที่มาผ่านทางร่างกายเนี่ยผ่านทารูปเสียงกินรสต่างๆที่เราสัมผัสกันมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกไปสลับกันมาแต่เราบุรกษของเรามันอยากจะให้มีแต่สุขอย่งเดียวเราก็เลยทุกขกันเวลาที่ไปเจอสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปเจอทุกขเวทนากันแต่ถ้าเราศึกษาและเข้าใจหลักของไตลรลักษณ์ว่ามันก็เป็นของไม่เที่ยง ที่เราไม่สามารถสั่งให้มันเป็นสุขอย่างเดียวได้มันสลับไปสลับมาถ้าเราเข้าใจแล้วยอมรับได้เราก็จะดับความทุกข์ใหญ่ที่เกิดจากความอยาออกของเราความอยากของเราอยากให้มันสุขเพียงอย่างเดียวไม่อยากให้มันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากให้มันทุกข์อยากให้มันสุขอย่างเดีย ว, ยยยยยวแต่ความไม่จริงก็เป็นไปไม่ได้ ถ้ายอมรับความจริงว่ามันต้องยอมรับของมันมน้ำดินฟ้าอากาเนี่ยฝนตกแดดออกน้ําท่วมไปแล้งอะไรต่างมันมีเของมันอยู่เป็นปกติถ้าเราไปอยากยนให้เราไม่เป็นเราจะทุกข์กับมัน <c oughs> ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงไปแล้วจิตก็เหมือนกันจิตก็เป็นอารมณ์ที่แปดป่วนไปเรื่อยๆในการะมัน รางวันเติบข <ispiel> awesome. eh. ึ้นมาสดใสเบิกบานรางวันเติบขึ้นมาคําเคร่งคําเครียนทรามองรางวัลก้าวกระดิขึ้นมาแล้วรู้สึกรู้สึกหนาวว้าเวรางวันก็รู้สึกเออเปรตมีสดชื่นเบิกบานทํำไมมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราอยากจะให้มันสดชื่นเบิกบานอย่างเดียวอยากให้มันแจ่มไสอยากจะให้มันอารมณ์ดีแต่มันก็ไม่เป็นไปตามความอยากของเรา พอมันไม่เป็นไปตามความอยากเราใจเราก็ทุกข์กับมันวิธีที่เราจะไม่ต้องทุกข์กับมันก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างเงี้มันดินฟ้ากันทุกอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้อาการหนาวเห็นไหมเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็น้ํำท่วมเดี๋ยวก็ภายแล้งเราควบคุมบังคับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กายวิถีนาจิตก็เหมือนกันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่เราสามารถสนใจให้เราไม่ทุกข์กับมันนั้นได้ ในการละความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วิธีาละาความอยากให้มันไม่ให้ใจเราไปจู้จี้จุกจิกกับสิ่งต่างๆก็คือให้ฝึกสมาธิทำใจให้สงบให้มีวิเบคขาแล้วใจจะอยู่เฉยๆได้ใจจะรู้สึกว่าอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้เหมือนกันไม่ต้องไปจัดการกับอะไร าการทำให้ใจอยู่ในเชนนี้กับเป็นความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการจัดการกับสิ่ ง, งต่างๆี่งเ mm hmm. ลยซ้ำไปเราควเข้าสมาธิได้เราจะรู้จักวิธีจัดการกับจิตใจของตัวนีาวิธีนี้สุดก็ปล่อยวางทุกอย่างอย่าไปยุ่งกับอะไรอย่าไปอยากอะไรกับเขาปล่อยให้เขาเป็นไปเขาจะดีเขาจะเชื่อเรปล่อยเขาเป็นไป เรารักษาใจเราให้วางเฉยอย่างเดียวเป็นอุเบกขาเราก็ happy, แฮปปี้ล้วก็มีความสุขได้อันนี้ก็คือเรื่องของกายเวทนาจิตพูดโดยสรุปเป็นขั้นตอนที่พระเจ้าส่งสอนวิธีที่เราจะสร้างสติขึ้นมาก่อนเพื่อเรามีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วมีอุเบกขาแล้วเราก็ค่อยมาศึกษาธรรมชาติของกายเวทนาจิตให้เห็นว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตา แล้วก็ปล่อยวางเข้าไปอย่าไปจัดการกับเขาคือถ้าจะจัดการก็ได้แต่ถ้าเราจัดการได้ก็จัดการไปมันมีสองระดับให้ในระดับที่เราดูแลได้จัดการไ้ก็ดูแลไปแต่ถ้ามันอยู่ในระดับที่เราดูแลไม่ได้จัดการไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปต้องยอมรับกับมันให้มันเป็นไปตามนื่อไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์เช่นร่างกาย ไม่สบายเลยรักษาได้ก็รักษาไปปวดฟันก็ไปถอนนี่ก็ทําไปถ้าทำได้ก็ทําไปแต่ถ้ามันอยู่ในอยู่ในสภาพที่ทําอะไรไม่ได้หมอก็บอกทําอะไรไม่ได้ก็ต้องทําใจอยู่กับมันไปเท่านี้ใจก็ยังไม่ทุกข์กับมันคําสอนของพระเจ้าทั้งหมดก็ลงก็มีเป้าหมายเดียวเท่านั้นก็คือดับความทุกข์ใจ แต่ไม่ไปดับความทุกข์ทางร่างกายไม่ไปดับความทุกข์ทางอารมณ์ไม่ไปทําให้ร่างกายอยู่ยืนยาวนานนไม่ใช่เป้าหมายของศาสนาเป้าหมาของศาสนานี่อยู่ที่การสอนใจไม่ให้ทุกข์กับกายเวทนาจิตนี่กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ปัญญาครับผมขอโอกาสถามถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับ คุณแว่นครับบอกว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเราเหมาะกับการพิจารณากายหรือจิตหรือเวทนาหรือธรรมครับเ อ, อ๋อมันต้องเป็นขั้นตอนหนึ่งท่านสอนขั้นแรกให้พิจารณาร่างกายร่างกายเป็นเป็นธรรมที่ชัดเจนเราเห็นได้ด้วยตาปล่ารู้เลยร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยสอนธรรสอนใจให้ให้ให้ยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้ว่าต่อไปเราต้องแก่เนะ เราไปแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปแล้วต้องตายเราไปแล้วจะต้พลาดพลาดจากข อ, ของที่เรารักของที่เราชอบทั้งหลายทั้งปวงสอนให้ใจถ้ายังทุกข์กับมันอยู่แสดงว่าเราขาดอเบรขาขาดสมาธิไปฝึกสมาธิให้มากๆให้จิตรวเป็นสมาธิให้มีอเบรขาแล้วจิตจะวางเฉยได้จะไม่พุ่งายกับการแปดปวดของร่างกายได้ พอเราผ่านร่างกายแล้วเราก็มาที่เวทนาความรู้สึก <c oughs> ความรู้สึกทุกข์ใจความรู้สึกที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการร่างกายไม่สบายบ้างจากการเราไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเป็นการเวทนาขึ้นมา เ, นเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็สอนใจว่าเราทำอะไรไม่ได้ทำใจได้อย่างเดียว ก็คือวางเฉย <c oughs> อย่าไปพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันเหนื่อยเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เท่าไรมันก็ยัง ม, มันก็แก้ไม่ได้หมดนะอของขต่างๆที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อบรรเทาความสุกใศ้กับเราบรรเทาความทุกข์เมตนาต่างๆมันก็ไม่สามารถไปแก้ทุกอย่างได้มันก็มีเรื่องเอื่นที่เรายังแก้ไม่ได้อยู่เยอะยะไปหมดอย่าไปแก้มันเหนื่อยเลยนะีกว่ามาแก้ที่ใจตัวเดียวเลยกนวะ่า อย่าทาให้ใจเราทุกข์เทนเองถ้าใจเราไม่ทุกข์แล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนกับการแปรปวนต่างๆของเวทนาเช่นเดียวกับอารมณ์ของใจก็เหมือนกันอย่างน้อยต้องไปเป็นขั้นๆเพราะว่าความละเอียดมันต่างกันกายที่มันอยากกว่าเวทนาเวทนามันอยากกว่าอารมณ์คร<ป>ับผมยัต้องทําทั้งสามข้ อ, อนี้เป็นข้อสอบที่ต้องคุทุกคนต้องทําถ้าต้องการจะไปนิพพาน ถ้าทำ ง, งานยาหนุนพิ่มจากความทุกข์ทั้งปวนนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของเสกทั้งสามนี้แล้วปล่อยวางเขาได้อาจารย์ครับมี อ, อมีคนบอกว่าถ้าถ้าเวลากโกรธให้รู้ตัวก่อนว่ากโกรธอย่างนี้ถือว่าไปรู้อารมณ์ไหมครับอาจารย์ครับคือเมื่อต้องรู้สึกโกรธถ้าไม่รู้มันก็มันก็ที่ไปฆ่าฝันกันก็ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธถ้ารู้ว่าเราโกรธ เราต้องรู้ว่าความโกโรธไม่ดีเราต้องมางับมันอยาไปทําตามมั น, ม, นมันมีหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกเราก็ต้องมีสติก่อนฝึกสติให้เรามีอยู่ความ้รเลรึกไว้ในใจให้เรามองกลับเข้ามาในใจปกติใจเราจะถูกกิเลสหนึ่งไปข้างนอกหึงไปที่รูปเสียงกินลสเมื่อเกิดเกิดเกิดความโกโรธความรูปเสียงกินลสกับไม่เห็นว่ามันความโกรธอยู่ในใจกับไปเห็นว่าความโกรธอยู่ที่รูปเสียงกินลส เขาทำให้เราโกรเ๋ยวต้องตัดการกับเขาสันหน่อยเีแล้วจากการมันหายโกรธมันไม่หายหรอกมันเดีย๋ยวมาันก็กลับมาใหม่ที่จัดการก็น้องจัดการที่ใจความโกรธเกิดที่ใจแล้วเกิดจากความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็โกรธเขามาแก้ที่ข้างในทีน่จริง ถ้าอย่างนั้นรู้ตัวว่าโกรธก่อนนี้มีสติอย่างนี้ก็คือว่าถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมครับก็เริ่มมีก็เริ่มเริ่มเริ่มถูกต้องแต่ยังไม่พอต้อง ร, รู้จักว่าความโกรธนั้นมัอยู่ที่ไหนแล้วเหตุของความโกรธเกิดจากอะไรครับอกรรว่ามันอยู่ในใจเราแล้วเกิดจากความอยากให้อยากให้เขาช่วยเราแล้วพอเขาไม่ช่วยเร า, เราก็โกรธเสียใจขึ้นมาถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาช่วยเราเราก็ไม่เสียใจไม่โกรธเขาใช่ไหม ไม่ช่วยเราเราก็ไม่เดือด น, น้อนเลยคุณดาครับบอกว่าการพิจารณาสติปัฏฐานสี่ให้รู้แจ้งเห็นจริงต้องพิจารณาเมื่อจิตเราเข้าสู่วิปัสนาญาณเข้าใจถูกหรือไม่ครับก็ต้องผ่านสมาธิให้ได้ก่อนต้องแอบปนาสมาธิก่อนได้โอเบคขอได้ฌานสี่ก่อนเพือจะสามารถเข้าสู่วิปัสนายานได้ ถ้ไม่เช่นนั้นมันจะไม่เป็นวิปัสนามันจะเป็นวิปัสเนตกครั บ, บคุณสัมพรครับบางครั้งโยมไม่ค่อยชอบวุ่นวายกับผู้คนมากนักมากคนมากเรื่องมากความโยมชอบความสงบความสันโดษไม่ชอบเจาะแจ้กับผู้คนโยมมีความสันโดษเป็นต้นทุนพฤติกรรมแบบนี้จะถือเป็นกิเลสตัวเองไปหรือเปล่าครับไม่หรอกอันนี้แหละเป็นพฤติกรรมของธรรม ใครที่รักสันโดษใครที่รักความสงบใครที่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นคนสบายของของผู้ที่ะอะาผู้มีธรรมะอยู่ในใจไม่อยากจะวุ่นวายกับใครไปบวชได้เลยคุณสมพลจะรออะไรครับขออนุญาตหาคำถามแป๊บนะครับอาจารย์ มีแต่คนทักเข้ามากราบสวนมสการพระอาจารย์เต็มเลยครับผมโสดาบันถ้ากลับมาเกิดในยุคที่ไม่มีศาสนาพุทธแบบนี้ถือว่าต้องยืดยาวไปอีกสรับนิพพานใช่ไหมครับไม่หรอกว่าพระโสดาบันท่านมีทมท่านมีอริยรรสัจสีมีใจรักอยู่ในใจนะคือแต่ว่าท่านยังกำจัดไม่หมดใน้นกำจัดส่วนน่างกายได้ แต่ก็ยังไม่สามารถขับจัดส่วนของจิตได้พระองค์งนะคุณสีอ่อนครับเหตุการณ์น้าท่วมที่หัดใหญ่เห็นครอบครัวที่หัดใหญ่เจอแบบนี้จิตตกยิ่งกว่าเจอสงครามตันแรกติดต่อไม่ได้กังวลห่วงพอมีสติก็เลยช่วยทางกู้ภยัยประสานงานช่วยเหลือได้ช่วยเหลือคนมีความสุขมากครับและทําให้ความกังวลลดลงพอผ่านไปอีกสามวันเริ่มมีสัญญาณติดต่อได้ก็สบายใจขึ้นพอน้ําลดหมด มันเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังจริงๆครับมีพระอาจารย์เคยสอนว่ามีมากก็ทุกมากน้ำมาทีเอาไปหมดทุกอย่างเหลือแต่ชีวิตแต่ระหว่างน้ำท่วมคนที่มีก็เมตตาช่วยเหลือกันถ้าไม่มีธรรมะคงทุกมากกว่านี้ครับนี่ครับธรรมะเนี่ยช่วยรักษาใจให้เราไม่ทุกข์กับอะไรไงถ้าเราเห็นตายแล้วเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราทาอะไรไม่ได้ คุณพีครับกาเบรียนขอธรรมะจากพระอาจารย์ครับกรณีประสบภัยไม่คาดคิดเช่นเอือทรกรภัยที่หัดใหญ่เราควรจะวางใจอย่างไรหากเกิดความสูญเสียมากๆขนาดนั้นครับเมื่อตอนก็ตั้งสติก่อนให้ใจสงบอย่าไปอย่ไปเสียอกเสียใจหรือมีอารมณ์ต่างๆพยายามทำใจให้สงบก่อนให้ได้เมื่อใจสงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าเราอยู่ในโลกของความแย่ที่แท้แน่นอน มีเกิดแล้วต้องมีดับเป็นธรรมดาเช่นวันนี้กําลังแสดงธรรมอยู่ได้ประมาณทักสิบกว่านาทีจริ่งไม้ใหญ่หักลงมาอ๋อ oh, ครับคนก็วิ่งวิ่งวิ่งหนีกันเราก็บอกให้ตั้งสติไว้ตั้งสติไว้รัษาใจให้สงบแล้วใช้ปัญญาพิเคราว่ า, าควจะทําทอะไรอยากไปตื่นเตนหเพราะการตื่นเตนหนี่อาจจะทําให้ตัดสินผิดพลาดได้เวลามีอารมณ์ต่างๆบ้างแล้วเ า, าควรละ ทำใจให้สงบให้นิ่งให้เฉยให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะทไดีต่อกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นครับผมแต่ว่าไม่มีใครเป็นอันตรายเลยใช่ไหมครับอาจารย์เออไม่มีหรอกนึกถึงตอนที่อยู่บนเขาที่พระอาจารย์บอกนั่งกันอยู่ในศาลานี้แล้วอยู่ๆถ้ามีงูตกลงมาเราจะทำยังไงกันบ้างทีุ่ก็ตั้งสติไว้เฉยๆไว้ก่อนที่สุดครับผม งูมก็ไม่อยากจะมายุ่งกับเราแล้วเพื่นี้มันพลาดตกลงมาถ้าเราอยู่เฉยมันเห็นว่าเราไม่เป็นภยัยกับมันมันก็ไม่ทําอะไรเรางูมันเลยหนีไปครับคุณติเล็กครับร้านอาหารบอกว่าไปจับปลามาทําอาหารขายเราไปทานปลาร้านนี้จะบาปไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราไปสั่งให้เขาฆ่าปลาให้เราหรือเปล่า โดยทางตรงหรือถางอ้อมก็ต่างถ้าเป็นเป็นการสั่งให้เขาไปฆ่าปลามาทําให้เรากินนี่ยเ้าบาปแต่ถ้าเขาฆ่าเองก็เราไปถาว่าปลาปลาตายแล้วมีไหมที่ร้านี้ถ้ามีปลาตายก็เอาปลาตายมานะเราสั่งปลาทอดอย่างนี้ก็ขอปลาปลาที่ตายแล้วถ้ามีก็ไม่บาปแต่ถ้าเขาไม่มีปลาตายแล้วมีแต่ปลาเป็นแล้วเราสั่งปลานี่เขาจะต้องเอาปลาที่เป็นปลาเป็นนี้มาฆ่าเพื่อมาทํา อาหารให้กับเราอย่างนี้ก็บาปทำเองก็ดีรู้สึกให้ก็ทําให้เราก็ดีก็ถือว่าบาปเทั้นแต่ถ้าเราไม่รู้เป็นอะไรไหครับอาจารย์ถ้าเราไม่รู้เราจะไม่รู้ได้รัไม่รู้ครับส่วนในร้านพวกนี้ก็จะมีปลาใส่อยู่ในกอยู่ในถังโชยอยู่ข้างหน้าร้านนีบถ้าไม่มีก็แสดงว่าเป็นปลาตายหรือถ้าเราไม่รู้จริงๆก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็ได้ ถ้าเราไม่รู้จริงๆแล้วเราคิดว่าเป็นปลาตายหรือทําไมถ้าให้ให้ดีจริงๆ ก, ก็ถามว่าก่อไม่ดีกว่าเนี่ยครับอาจารครับนะถามเขาก็ได้ว่าที่นี่ใช้ปลาที่ทำนี่เป็นปลาตายแล้วเรื่เป็นปลาเป็นอยู่ถ้าปลาเป็นก็ฆ่ามาให้เรารเราไม่เอาได้ท่านเราไี่บอกคนได้ผู้ชายขอโอกาส คผู้ชายบอกว่าโสดเราเชื่อและตัดสินใจคบหาอยู่ด้วยกันมารู้ที่หลังว่าเขามีลูกมีครอบครัวแล้วณจุดนี้เราบาปไหมครับตกเป็นจำเลยโดยที่ไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจครับไม่บาปหรอกว่าเราไม่รู้แล้วก็คิดว่าเขาเป็นโสดตา ม, ตามที่เขาว่าไปคุณพัชรีครับการนั่งสมาธิมีทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีหน้าตาสดใสขึ้นไหมครับ อันนี้ก็อาจจะมีผลข้างเกียงเพราะจิตสงบแล้วมันจิตใช่ไหมันก็ทําให้ร่างกายสงบตาคนที่มีจิตใจสงบนี่ร่างกายน่าจะเป็นหน้าหน้าตาที่ผิวพรรณผ่องใสไม่เครียดสังเกตดูคนที่เป็นนายกกับคนเดียวกันที่ตาที่เป็นนายุกับตาที่ไม่เป็นนายกนี่ตา่างกันะมาเป็นนายกได้ไม่กี่ปีนี่ผมผมงอไปนอนเลยหน้า หน้ามีริ้วรอยหน้าตามีริ้วรอยเส้นอะไรต่างเยอะแยะแต่ก็พ้นจากกำแหน่งไปไม่กี่เดือนกลับมาดูว่าหนุ่มขึ้นดูหน้าตาสะอาดขึ้นมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสสมาธินี้ก็จะช่วยทําให้จิตมีอารมณ์ดียัาให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดกับอะไรคุณดัสตี้ครับ ถ้าเจ็บป่วยอยู่และเจ็บมากๆควรจะอยู่กับความเจ็บนี้อย่างไรครับก็มีสองวิธีถ้าวิธีแรกก็ใช้อุบายของสมาธิคือสติให้บริกรรมพูดโทพูดโทไปนึอสวหมือนไปนึกดูลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำได้เพื่อไม่ให้เราไปสนใจกับอาการเจ็บปวดพอใจไม่ไปสนใจแล้วอาการอาการทุกข์ต่อมาใจที่เกิดขึ้นมันจะหายไปก็เท่ากับลดอาการเจ็บปวดไป เก้าในสิบเลยก็ได้เพราะความเจ็บปวดส่วนใหญ่มันอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจใจเครียดเนีถ้าเราสามารถใช้อุบายสมาธิทําให้ใจสง บ, บได้อาการทุกข์หรือเจ็บของใจนี่มันเก้าเก้าในสิบของขอ ง, ของอาการเจ็บปวดอาการเจ็บปวดของร่างกายเป็ต เ, เท็งหนึ่งในสิบเท่านั้นเองพอเราทําใจให้สง บ, บให้นิ่งด้วยสมาธิได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับอาการเจ็บ ปวดของร่างกายวิธีหนึ่งวิธีที่สองถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะใช้ปัญญาก็สอนใจว่าเราเวทนานี่ความเจ็บปวดนี่มันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้ทําให้มันหายไปไม่ได้ถ้าเราอยากจะไม่ทุกกับมันเราก็ต้องยินดีต้อนรับมันหัดชอบ ม, มันเสียอย่าไปรังเกียจมันพอนเราไปลังเกียจมันมันก็จะทำให้เราทุกขึ้นมามีการวิภาควาตัาหาขึ้นมา อ่ถ้าเราชอบมันเราก็จะสุขใจเพราะเราได้สิ่งที่เราชอบวเวลาที่เราได้สิ่งที่เราชอบเราจะมีความรู้สึกสุขใจขึ้นมาเพรานั้นก็พยายามปรับใจให้อยอมงรับมันให้ได้ถึงแม้ไม่ชอบมั น, น, นก็อย่างน้อยก็อย่าไปเกลียดมันอยู่กับมันไปใจก็จะไม่ทมนม า, า, า, านขอโอกาสพระอาจารย์ครับ ผมประสงค์จะบวชในปีหน้าตอนหกสิบครับเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมครับอาจารย์ก็สาธุอนุโมทนาคุณดิวครับขออุบายทำเวลาเกิดอารมณ์ทางเพศหน่อยครับเวลาไปปฏิบัติแล้วจิตไม่รวมครับคืออารมณ์ทางเพศนี่มันต้องใช้อสุภะเป็นกรรมฐานเราต้องใช้เป็นตัวอารมณ์ดอนยืนนั่งนอนนี่เรานื่งถึงอัตถะอยู่เล ย, เลย เป็นอาการสามสิบสองก็ได้ทั้งไปในใจท่านี้ยมมาำการพุทโธพุทโธพระธรรมผมขนเล็ดปันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าหัวใจตับพังเผใตายปอดหรือถ้าเราศึกษาศพ ส, สิบชนิดได้ก็แล้วถึงศพสิบชนิดก็ได้ศพที่ตายใหม่เน่าอืดขึ้นมาแล้วก็พวกช้ำดำเขียวแล้วก็มีสัตว มากัดมาแท้มาอะไรไม่ไม่ไม่ร้ามีอะไรจนั่งถึงศพขั้นสุดท้ายแห้งกรอบแต่โคงกระดูกเนี่ยถ้าคิดถึงศพเหล่านี้ร่างการของความอยากมีเพศสัมพันธ์มันก็จะหายไปพระอาจารย์ครับตอนอ่านตำราสติปัฏฐานภาษาอังกฤษก็มีมีพาร์ตนี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์มีมีมันก็แปลมาแล้วอก็มี คุณแม่สีครับบอกว่าถ้าลูกสาวสองคนตัดแม่ตัดลูกกับเราเขาทําบาปไหมครับท่านปรยังไม่มาทําร้ายเราไม่บาปเป็นแต่เ่ า, า จ, จะไม่มีคำคำกระตันอยู่เข mm hmm. าลื ม, มุนคุณ น, น้อยใหญ่ไม่มีใครในโลกนี้ที่มีบุนคลยิ่งใหญ่เท่ากับพ่อกับแม่การไปตัดพ่อตัดแม่แสดงว่าเกลียดชังพ่อแม่มากซึ่งเป็นาการกระทําที่ไม่ ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมจะเลยเนะนียคนคนดีเขาไม่ทํำอย่างนี้หรอกมีแต่คนที่ไม่ดีนั่นเองกล้าทําอย่างนี้ได้เหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ยิ่งเตือนว่าให้รีบๆปฏิบัติอย่ารีรอชีวิตสั้นจริงๆไม่มีอะไรแน่นอนเลยออกคอมเมนต์นะครับว่ารีบๆทาความดีครับดีอย่างที่พระเจ้าทรงจัดไว้ก่อนจะจากพวกเราไปในปัชิโมว่าทั้งการทั้งหลายเป็นของไม่เทียม มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนนั้นประโยชน์ของผู้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดโดยตัวองก็ทำประโยชน์ให้กับเราก่อนทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ก่อนเมื่อเราทําบลุดต้นนั้นเราก็มีเวลาเหลือยอยู่แล้วก็เอาไปช่วยคนอื่นต่อใครอยากจะศึกษาเราก็สอนเข้าไปแต่จะไม่ไปสอนคนที่เขาไม่อยากจะเรียน อาชีพที่ส่งเสริมให้คนงมงายมากขึ้นเช่นเป็นหมอดูเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หมอดูดวงขายลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปนะมันเป็นเรื่องของคนที่อยากจะไปศึกษาเองนะคุณภาวินีครับชีวิตเป็นทุกข์ตัดทางโลกไม่ขาดอยากเข้าถึงทางธรรมควรจะเริ่มจากไหนก่อนครับ ก็ื่อตั้งหลักสูตรก็มีทานศีลโทนนาตอนนี้ถ้าเราใช้เงินทองเพื่อไปดับความทุกข์ก็เป็นวิธีเอาเงินทองไปทําบุญแทนจะทําให้ดับความทุกข์ได้ได้อย่างแท้จริงเพราะถ้า เ, าเงินทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่มันไม่มันไม่ดับมันดับความทุกข์ได้ชั่วคราวแล้วมันจะกลายเป็นเป็นการไปติดสิ่งเหล่านี้แล้วพอไม่มีเงินก็จะทุกข์ ใชาจะใช้เงินเพื่อดับความทุกข์เงินทำใช้เงินเพื่อให้ใจมีความสึกเพื่อใช้ด้วยการทำบุญทําทานถ้าเรามีเงินเหลืออย่าเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆอันนี้มันทำให้เรามีความสึปกปลาเดียวปลาเดีแต่มันจะทําให้เราติดและพอวันไหนเราไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินกินเงินดื่มนี่เราก็จะทุกข์ขึ้นมา แต่การทําบุญนี้ทำมากว่าเท่าไหร่จะไม่ทําให้เราทุกข์เวลาที่เราไม่มีเงินจะทําบุญอีกครับ ข, ข่าต่อไปเราจะไม่ทุกข์แล้วเราจะมีคารู้สึกอิ่มเบิบใจทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทํามามันก็ทําให้เกิดความสุขใจขึ้นกานต้นให้ทําทานเงินกาที่สองก็ใหรักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าหนึไปไม่ไปไม่ไปทำร้ายผู้อน <Yeah. S 1> ันี้ก็เป็นการตัดไปเป็นขั้น ศีลห้าก็ไปศีลแปดแล้วก็พอรักษาศีแลแปดได้ก็จะมีเวลาไปเจริญสตินั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้ต่อไปทําความดีแล้วอยากได้บุญแล้วเราจะได้บุญไหมครับเอมันไม่ได้อยู่ที่ว่าความอยากมันอยู่ที่เหตุคือการกระทำถ้าทําดีอย่างหรือไม่อยากมันก็ได้มันก็ได้บุญอยู่ดี การเข้าบรประชาะอุปสมบทตอนอายุหกสิบปีถ้าสุขภาพดีและมีการปฏิบัติธรรมมาบ้างแต่ไม่ทราบกฎระเบียบว่าสามารถทำได้ไหมก่าวขอโอกาสฟังความเห็นจากพระอาจารย์ครับเราก็ต้องไปปรึกษากับพระอุปชาของของวัดที่เราจะไปบวชท่านก็จะดูว่าเราพร้อมที่จะปฏิบัติจิตงสง์ได้หรือเปล่า อย่างคุณหมอคุณหมอที่บวชแล้วไปอยู่วัดยาท่านตอนนั้นบวชกนะ็อายุเจ็ดสิบปานะก็เจ็ดสิบท่านนั้นบวชได้เกืบสิบปีแล้วตอนนี้แปดสิบท่้นก็ยังท่าก็ยังแข็งแรงเดินจงกรมเดินเดินมินทบาลได้ท่านยังเกือบทั้งวัเนเลยหลังจากที่ท่านเสร็จภารกิจจากการบินทบาลท่้นเสร็จแล้วท่านก็จะไปเดินจงกรมถึงบา่ายก็อยู่ที่ว่าเราสามารถทํากิจของสงฆ์ได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับอุปชาด้วยว่าอุปชาเราท่านท่านนาจจะไม่อยากจะส น, สนับสนุนคนที่อายุเกินหกสิบไปไปเพราะคนแก่ แ, กแล้วกลัวจะมาเป็นภาระให้กับพระลูกอื่นในการที่เจ็บไข้ได้ปวด่วยหลืว่าเป็นอะไรขึ้นมาเพราะคนแก่เนี่ยมันจะมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายหรอกคนดูครับพอาจารย์พูดถึงพระอาจารย์ชายโยธใช่ไหมครับผมบอ่าบุญบ่าวชายโนะ ท่านเป็นอาจารย์ผมด้วยครับอาจารย์ท่านอบเรียนะท่านเจ๋ง <ๆ S 2> มากนะอายุ84แล้วท่านยังทำทาบิณฑ บ, บาตเดินอยกมงได้ครับผมคุณทองบอกว่าเราแอ บ, บกดตังค์ในบัญชีของแม่มาใช้ซื้อข้าวปลาอาหารให้ท่านแต่ไม่ได้บอกท่านอย่างนี้เราเป็นบาปไหมครับก็บาปเพรา ะ, ะเป็นการขโมยแต่ว่จาจะมาเลี้ยงท่านก็ตาม ก็ต้องขออนุญาตท่านก่อนขอว่าแม่ควาเงินนี้มาซื้ออาหารให้แม่กินนะไม่เห็นใจลำบากตรงไหนเลยทำไมต้องไม่พูดด้วยคุณสมศักดิ์ครับเราพิจารณาอสุภะเหมือนเราปวดท้องข้ห้องน้ำไม่ทานอุจจาระแตกไหลออกมามีกลิ่นเหม็นได้ไหมครับ คือมัน ก, ก็ได้ถ้าคิดถึงแฟนเราเราอยากจะไปร่วมเพศแล้วคิดถึงอุจจาระของเขาไม่อาจจะทําให้เราห า, หายอยากไปได้ก็แล้วแต่พิจารณาแบบไหนก็ได้ที่ทําให้ความอยากร่วมเพศมันหายไปก็แล้วกันผู้ที่นอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเลยโดยที่ไม่เจ็บไม่ป่วยมาก่อนแบบนี้เรียกว่าหมดอายุไข่ไหมครับก็ตายเหมือนกันนะจะเรียกว่าอะไรก็ตายเหมือนกันตายแบบไหนมันก็ตายเหมือนกัน คุณนิดครับการนั่งวิปัสนาใช้พุโทโธหรือใช้การจับลมหายใจเข้าหายใจออกได้ไหมครับอันนี้ไม่ใช่วิปัสนาถ้าพุโทโธเลื่อดูลมนี่เป็นการทำํำสมถะภาวนาเคือการทําสมาธิถ้าจะวิปัสนาเนี่ยเราต้องพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นต้นถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสนา ทำในธรรมคือมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาของโลกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่แค่ไตรักใช่ไหมครับมันก็มีหลายอย่างคุณต้องเข้าไปศึกษาในในในพระสูตรยูทำในธรรมก็คือให้เราโดยโดยหลักเราคิดว่าต้องต้องเห็นเห็นตายรักเห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ถึงจะสามารดั บ, บความทุกข์ต่างๆได้ เหตุใดคนที่ประสบประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุราซึ่งผิดศีลข้อห้าจึงมีฐานะร่ำรวยมากส่วนคนที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดศีลห้าชีวิตลําบากมากครับอาจารย์มันก็ไม่แน่เสมอไปคนที่เขาไม่ผิดศีลห้าร่ำรวยก็มีคนที่ผิดศีลห้าแล้วยากจนก็มีเราเราเป็นนองย่งนี้ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ดูอย่างทั่วถึงกันการร่ำรวยทางโลกนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศีลหรือไม่มีศีลนะ เหตุปัจจัยม <S ellt. S 2> um, ันมีหลายปัจจ mm ัย hmm. ด้วยกันนี่ทําให้นํารวยเรือหรือไม่นํารวยได้ไม่ได้อยู่ที่การมีสินหรือไม่มีสินการประลึกชาติได้จากการฝึกกรรมฐานอย่างนี้ทาได้จริงไหมครับเฉพาะบางคนน่าจะต้องรู้จักวิธีซึ่งตอนนี้ในสมัยนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนอย่านี้ ก็จะเป็นวิธีที่ได้ศึกษามาในอดีตชาติมาก่อนแล้วมีความสามารถติดตัวมาโทสะโมหะโลภะสิ่งใดละยากที่สุดครับสําหรับตัวเองคิดว่าโมหะฝึกยากที่สุดครับก็ต้องที่โมหะเพราะโมหะเป็นต้นเหตุของโลภะของโทสะอีกทีนึงถ้าไม่มีไม่มีโมหะมันก็จะไม่มีโลภะไม่มีไม่มีโลภะก็จะไม่มีโทสะ โลภะก็คือความหลเนี่ยเห็นว่าทุกสิ่งอย่างเป็นสุกนี้เราก็ต้องแก้ด้วยปัญญาคือเห็นว่าทุกสิ่งอย่างเป็นทุกข์เป็นั้นนีจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้อะไรเมื่อเราไม่อยากได้อะไรแล้วเราก็จะไม่กดรดขี่อาชีพแม่ค้าขายปลาที่ต้องฆ่าปลาไม่อยากบาปแต่ต้องทําครับมีวิธีจะลดบาปได้ไหมครับ ก็ทําให้น้อยลงนะทำเท่าที่จำเป็นพอเลี้งปากในท้องไปได้แล้วพยายามเปลี่ยนหาอาชีพเสริมแบบอื่นที่ไม่ต้องใช้การค่าสัตว์ทําขนมทําอะไรไปไค่อยๆปรับการอาชีพของเราให้งานที่สุดให้เราเลาิกับอาชีพที่ต้องเป็นการค่า ก, กันแล้วไปทําอาชีพที่ไม่ต้องค่ากันนี้ทําขนมทําอะไรไปขายไป เวลานั่งสมาธิแล้วหลับตลอดเลยครับจะต้องทำอย่างไรดีครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราเรับาประทานามากเกินไปถ้าอยากจะนั่งสมาธิต้องอย่างน้อยกินมื้อเดียวนี้จะช่วยได้เยอะกว่าถ้ากิน3ามื้อห้าไม่มีไม่มางที่นั่งสมาธิได้ เคยมีคนแนะนำให้ฟังธรรมจากพระอาจารย์จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอได้พบพระอาจารย์ผลคือครั้งแรกพบอาจารย์ขณะรับบินทาบาทในตลาดบ้านอำเภอเมื่อเดือนก่อนโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะคนขับรถหลงทางวันนี้หน้าเฟซปรากฏขึ้นให้เห็นจึงจะขอเข้ามาฟังพระอาจารย์ครับนะเป็นบุญพัสนาครับพระอาจารย์ครับ ของดีการปฏิบัติธรรมผ่าสมองหลายรอบมีอุปกรณ์ในสมองแต่ยังลุยไปทำงานได้อยู่ลืมเลยว่าใส่อุปกรณ์ในสมองไม่ค่อยรู้สึกทุกข์ทางกายของดีทางใจเป็นของดีมากๆครับอาจารย์ครับคุณผูแปลครับครับผมคุณวันดีครับการนอนหลับแล้วตายเฉียบพันเป็นการหมดกรรมหมดทุกข์โดยเฉียบพันด้วยหรือไม่ครับ ไ ม, ไม่หมดกรรมหมดทุกข์แล้วมันก็เป็นเป็นการสิ้นสุดของร่างกายแต่ใจไปต่อกรรมกับทุกข์ที่มีในใจก็ยังมีต่อไปกินไข่จากไก่ที่เลี้ยงเองอย่างนี้เป็นบาปไหมครับก็ไข่ไมันมีสองชนิดไข่ที่ฟักได้กับไข่ไข่ไข่ขที่ฟักไม่ได้ถ้าไปกินไข่ที่ฟักได้อ็เหมือนกับเอาไปไป ไปฆ่าชีวิตที่ที่จะเกิดขึ้นมาท่ากินขายที่แบบชนิดที่ไม่มีตัวมีความทุกข์กับลูกสาว อ, อกหักทุกมากรักครัง้งรักแรกครับอาจารย์ทุกเพราะอยากให้ก็เป็นไปตามความต้องการของเราเพอก็ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเราก็เลยทุกเท่านั้นเองถ้าเราปรับใจท่านนาว่าเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเรา เราอย่าไปบังคับให้เขาคิดเหมือนเราทำเหมือนเราไม่ได้หรอกเราสอนกก็ได้แต่ถ้าก็ไม่ทำตามเราก็ต้องเราก็ต้องอยอมรับกับความเป็นจริงอันนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกกับเขาเลี้ยงควายอยู่หลายตัวครับไม่อยากขายเลยแต่จำเป็นต้องขายเพราะว่าส่งลูกเรียนครับอย่างนี้เป็นบาปไหมครับก็เราต้องรู้ว่าขายไปแล้วเข้าไปค่า ห, หรือเปล่าถ้าไปค่าก็เราก็มีส่วน แต่ถ้าเราขายไปแล้วเข้าไปทํานาทำไรอะไรอย่างนี้ก็ขายขครนี้เขาไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ทำให้เขาตายไปปฏิบัติที่เขาและอดอาหารโดยการทานหนึ่งมื้อในทุกๆสามวันมาหลังจากครบกําหนดก็ออกมาและใช้เวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวและอดอาหารเช่นเดียวกับเวลาอยู่บนเขาในระยะเวลาเท่ากันรู้สึกว่า ถึงอยู่คนเดียวก็กิเลสออกมาเพ่นพ่านครับ อ, อ๋อมันก็ต้องมีสติไงต้องมีสติคอยควบคุมใจคว บ, บคุมความคิดเพรกิเลสนะสายความคิดเนี่ยเป็นตัวที่เอามาทํางานได้ถ้าเราควบคุมความคิดได้มันกิเลสมันก็ออกมาไม่ได้นั่งสมาธิไม่เคยง่วงเลยเกิดจากอะไรครับ ไม่งงก็ดีแล้วทำไมต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรไม่จำเป็นจะต้องรู้เราสามารถฝึกวิปัสสนาคนเดียวในห้องพักโดยอาศัยเปิดคลิปสอนจากครูบาอาจารย์ใน y o u t u ู e ได้ไหมครับเช่นฟังคลิปจากองค์หลวงตามหาบัวครับก็วิปัสสนามันในหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ต้องเรียนรู้วิธีพิจารณาวิปัสสนาพิจารณาอย่างไรก็ต้องเรียนรู้จาก ครูบาอาจารย์นต่างๆใน youtube ก็ได้เลยหนังสือก็ได้เมื่อเราดูแล ว, วิธีที่จะาจะมาพิพิธณาก็คือให้มองให้เห็นว่าร่างการนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่แย่ของเราเราก็เอาความรู้นี้มาสอนใจบ่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้เลยแล้วก็ขั้นที่สาก็รอเวลาทําข้อสอบเวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนดกซิว่าเราสามารถทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันได้บ่อยๆ ถ้ายังทำใจให้ไม่ทุกข์กับมันได้ก็แสดงว่าเราขาดสมาธิเรารู้ว่ามันต้องเจ็บแต่เรายังทำใจไม่ได้เราก็รอสัยไปฝึกสมาธิให้จิตนิ่งสงบด้วยเมื่อเมื่อีจิตที่นิ่งสงบแล้ว ม, มีปัญญาสอนใจว่าอันเป็นเรื่องธรรมดาการเจ็บไายได้ป่วยหยิ่งเรื่มันไม่ได้ต้องยอมรับมันให้ได้พอเรามีสมาธิเราก็ยอมรับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่ครั้นพิพิสนาขั้นที่สาม ขั้นแรกก็ไปเรียนมาจากครูบาอาจารย์ขั้นที่สองก็มาทบทวนพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่ ห, หลุดไม่เลิให้เกิดความเข้าใจอย่างถาแท้ขั้นที่สามก็คือต้องนำไปปฏิบัติเวลาเจอของจริงทำข้อสอบคุณมิ้งบอกว่าขอคำอธิบายคำว่าแดนนิพานจากพระอาจารย์ครับนิพานก็คือการไม่ไป การไม่ไปเกิดของจิตนะจิตที่นิพพานนี่ก็คือจิตที่ปราศจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงคำว่า น, นี้ก็เป็นเพียงแต่เป็นคำพูดเบียดเบยว่านิพพานก็นเหมือนดินแดนอย่างหนึ่งแต่ความนิพพานก็คือจิตที่ท ส, ส, ะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภโกรธหลงเมื่อไม่มีความโลภโกรธหลงก็ไม่มีการไปเว้นว่าตายตเกิดอีกต่อไป จนต้องเทอาหารทิ้งการอยู่คนเดียวและปฏิบัติต้องมี d ดิสซิプリンมากๆอยากถามว่าต้องทําใจอย่างไรให้มีกําลังใจเข้มแข็งที่จะปฏิบัติไปได้เรื่อยๆครับก็ต้องฝึกสติให้มากๆว่าสติเนี่ยจะทำตัวเป็นตัวที่ทําให้เราเข้มแข็งได้ไม่มีทำอะไดที่จะทำให้ใจเราเข้มแข็งได้นอกจากสติ ปกตินอนไม่หลับครับแต่พอนั่งวิปัสนาหลับทันทีเป็นเพราะกรรมหนาหรือไม่ครับก็ดีในเวลาที่เวลาันไหนนอนไม่หลับก็ขึ้นมานั่งวิปัสนามันจะได้หลับแทนได้ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับถ้าโยมหมักนมเปรี้ยวเองโดยใช้นมโคผสมกับเชื้อจุลินทรียกลุ่มแลคโตบาซิลัสเชื้อเป็นถวายพระสงฆ์ถ้าท่านฉันแล้วติดอาบัตหรือผิดวินัยสงฆ์หรือไม่ครับ ไม่หรอกเพราะว่าไอ้เชื้อโรคหรือเชื้อจุลินทรีนี่ไม่มีไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจไม่ถือว่าเป็นการทำบาปครับผมแล้วน้ำหมักพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ผิดใช่ไหมครับอาจารย์ครับถ้ามันเป็นสุรานี่ก็เหมือนินไม่ได้อันไที่เช่นข้าวก้าวเนี่ยข้าวที่หมักแล้วมันทําให้มันมันมีรสสุราอยู่อย่างนี้ก็กินไม่ได้ข้าวเมาไม่ข้าวเมาแะข้าวอะไรเนี้ย อ่นประวัติครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเวลาลูกศิษย์มาขอสึกทีไรท่านมักจะตักเตือนเหมือนกับว่าหนีกลับไปหาองค์ทุกข์อีกทําไมอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์เวลาบวชก็เป็นการออกมาจากสังคมออกจากโลกที่เป็นนอกของความทุกข์เนี่ยก้ากลับเสด็จกระสากกลับไปอยู่ใ น, ในโลกในสังคมความทุกข์อีกต่อไป คนนุ่งขาวห่มขาวทำบุญกับคนที่ไม่ห่มขาวได้บุญเท่ากันไหมครับเท่ากั น, มนไม่มไ ม, มไม่อยู่ที่ห่มขาวหรือไม่ห่มขาวหรอกอยู่ที่การทำบุญของเราก็ทาเท่ากันหรือเปล่าถ้าทั้งสองคนทำคนละร้อยก็ได้บุญเท่ากันคุณสงบใจกล่าวขอคาแนะนาจากพระอาจารย์นั่งสมาธิแต่จิตไม่เคยรวมเลยจะต้องแก้ไขยอย่างไรครับต้องฝึกสติให้มากขึ้น ต้องฝึกสติทั้งวันเลยถึงจะสามารถทําจิตให้รวมได้รู้สึกทุกใจเสียใจกับคําพูดและการกระทําของคนในครอบครัวทําอย่างไรที่จะให้ใจเข้าใจว่าเราบังคับเขาไม่ได้เพื่อให้ใจเราไม่ถุกครับเราบังคับเขาได้ไหมบ้างก็เห็นชั้นชั้นอยู่เราบังคับเขาไม่ได้เขาจะพูดเขาจะทําอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้ เพีแต่ใจเราไม่ยอมรับไม่ยอมมองเห็นได้เองความจริงมันเหตุการณ์มันชัดชัดอยู่แล้วว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราไม่ยอมรับความจริงอันนี้อวันนี้คำถามน้อยนะครับเชิญเพื่อนๆส่งคำถามามาเพิ่มได้นะครับคุณมาลตรีครับหากเราเผลอทำผิดศีลเช่นพูดโกหกโดยต้องการให้ผู้ฟังสบายใจจะแก้ไขให้เบาขึ้นได้ไหมครับ กรมที่ทําไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้ะ แ, แต่เราแก้แก้ไขได้ที่กรรมใหม่อย่าไปทํามันอ๋อมีคนบอกเรื่องเข้าหมากครับอาจารย์เข้าหมากคุณมกครับบอกว่าพระสงฆ์ฉันช็อกโกแลตได้ไหมครับได้ไดชอ็อกโกแลตนี่มีสองชนิดชนิดที่นี้ส่วนผสมอย่างอื่นเช่นนมเนือผลไม้เช่นถั่วอะไรนี้ ชั้นได้แต่ต้องฉันในช่วงก่อนก่อนเที่ยงวันไปส่วนช็อกโกแลตที่ไม่มีส่วนผสมมีแต่ช็อกโกแลตกับน้ําตาล น, า น, นี้สามารถฉันได้ม่ว่าจากเที่ยงวันไปแล้วคุณธัญรัตน์บอกว่าวันนี้โทรศัพท์ตกน้ําอาการแว บ, บๆขอเอาไปหมกเข้าสารก่อนเอามาเที่ยวไม่ได้เกี่ยว ขอถามพระอาจารย์ครับตอนเราหลับสนิทดวงวิญญาณเราออกจากร่างกายจริงไหมครับไม่ได้ออกเพีงดาไม่ได้ไม่ได้มีการใช้ข้อมูลที่เข้ามาทางร่างกายพัฒนนั้นร่างกายอยู่ทํางานชั่วคราวแต่จิตดวงวิญญาณก็ไม่เคยไม่ได้อยู่ในร่างกายนะดวงวิญญาณกับร่างกายนี้อยู่คอลลาณิมิติอยู่คอลาณมิติกัน ร่างกายเรา น, นนนนยานี้อยู่ในโลกโลกธาตุโลกดินน้ำลมไฟส่วนดวงวิญญาณนี้อยู่ในโลกชีวิตแต่ดวงวิญญาณนี้สามารถส่งกระแสมารับดูสิ่งที่นั้นที่เข้ามาทางตาหูจะบอกมือกายของร่างกายได้แต่เวลาร่างกายพักผ่อนตาหูจมูกมือกายก็หยุดทํางานหยุดหยุดส่งข้อมูลให้กับดวงวิญญาณชั่วขา่าว สวดมนต์ตอนวิ่งได้บุญเหมือนนั่งสวดมนต์ที่บ้านไหมครับก็อยู่ที่ว่าจิตสงบหรือไม่สงบถ้าจิตสงบก็ได้บุญคุณมารีครับการตายอย่างสงบหมายถึงเรามีสติจนลมหายใจสุดท้ายของเราไม่เจ็บปวดทรมานใช่หรือไม่ครับก็ก็แล้วแต่นี่ไม่รู้เหมือนกันต้องลองตายดูถึงจะรู้ตอบไม่ได้ คุณชายเยชนถามว่าจิตรวมหมายความว่าอย่างไรครับจิตปกติมันจะกระจายออกด้วยความคิดต่างๆอเราใช้พุโทโธแล้วใช้สติเดินใจให้ให้ใหยุดคิดพอหยุดคิดใจก็รวมเป็นหนึ่งเหนือแต่ความคิดหายไปเหนหือแต่เหนือแต่ตัวรูวว้ตัวเดียวพอแเป็นเอกข้ากตาลงใจเป็นหนึ่งเพราะเราเรียกาจิตรวมรวมเป็นหนึ่งคือเหนือแต่ตัวรู้ตัวเดียว มันก็เติมันจะมีตัวคิดที่ทําให้เราคิดหลา ก, หล า, กหลายเรื่องด้วยกันมันทําให้มันมันกระจายไปแล้วพอเราใช้สติหนึ่นกลับหยุดให้มันคิดแล้วความคิดหายไปปั๊บความหลากหลายต่างๆที่มีใ น, ในใจก็หายไปหมดเนื่องแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวเดินจงกรมไม่ถอดรองเท้าได้ไหมครับได้ คุณวันวิสาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับฝันเห็นคนที่เคยมีความผูกพันกันมาแต่เขาได้เสียไปสิบกว่าปีแล้วเป็นไปได้ไหมว่าวนเวียนอยู่แล้วมาขอส่วนบุญครับก็เป็นได้ถ้าเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่รู้เราก็ก็ตองถ้าเราไม่รู้ไม่ก็เลิกไปถ้าเรารู้ว่าเป็นเขาเราอยากจะทำมันก็ ท, นกที่ทําบุญอุทิศไปให้เขาได้ในบางทีเพื่อความไม่ประมาทก็ ถ้าฝันเป็นคนตายแล้วนอกจากนิ้ยกทําบุญศพไว้ให้ครับมันอาจจะเป็นเพลยงแต่ครับคิดของเราก็ได้นราคิดถึงเขาแล้วฝันถึงเขาก็ได้คุณดีวครับกับพระอาจารย์ครับนอกจากหนังสือแดนนิพพานที่พระอาจารย์แนะนําให้อ่านมีหนังสือทำอื่นแนะนําอีกไหมครับขาพเจ้าก็มีประวัติพระอาจารย์มั่นและก็ปฏิปทาพระธถรวงสาย ใช้กล้ า, าจัน์มั่นเนี่ยสองเล่งนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ที่น่าสนใจอ่านแล้วก็จะได้ความรู้มากสามารถค้นหาในในในเว็บไซต์ของลงตาก็ได้ ป, ป้าตาบรรตาหลงตาหา้าบล็อกคอมนี่ก็หลวงตาคอมก็มีหนังสือเอานี้ให้ดาวน์โหลดได้และเม่ฉะนั้นก็อาจจะลองค้นหาในทางอินเทอร์เนต็ตดูทาง o o g l e ลดูอล้วกัน ถ้าเป็นพระปลอมที่มายืนรอคนมาตักบาตรแล้วนั่งวินมตรไซค์ไปตอนสายจะแปดโมงแล้วเรานึกด่าในใจอย่างนี้มีบาปไหมครับก็เป็นรอจ่าที่ไม่ควนพูดนะไม่ควนคิดไม่ควนที่จะไปว่าใครเ้าดีเชื่อก็ไปเรื่อของเขาเราไม่ว่าเขาเราก็เริ่มาก็เริ่มไม่ดีแล้วคนดีจริงๆไม่ว่าใครไม่ทำร้ายใคร การเรียนถามพระอาจารย์ครับคำว่าศีนนอกปาติโมกคืออะไรมีอะไรบ้างครับก็ในปาติโมกในศีนอยู่สองร้อยี่บเจ็ดข้อเนี่ยแล้วถ้ามีศีนนอกเนี่ยอย่างนั้นที่มีในพระในปาติโมกก็เรียกว่าศีนนอกปาติโมกซึ่งอาจจะมีการกําหนดขึ้นโดยคณะสมเช่นแม่พระไปเที่ยวในไม่ให้ไปเดินเที่ยวในศูนย์การค้าอย่างเงี้ยมันไม่มีในปาติโมกอย่าเปสถานที่อักขรจอมที่พระไม่ควรไป คุณกนกวันถามว่าเขาเป็นหนี้เราแล้วไม่ใช้เราไปหยิบของเขามาเป็นของเราอย่างนี้เราบาปไหมครับก็เป็นของเขาเราไปหยิบแล้วก็บาปอยู่เนี่ยเรให้เขาให้เราต้องให้เขาอนุญาตก่อนขออนุญาตเขบไปว่าขอของนี้มาเพื่อเป็นการหามหนี้ได้ไหมแล้วกายินดีก็เอามาได้ก็ไม่ก็ไม่ไม่ได้ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปขโมยเขายังไม็ของเขาอยู่ถึงแม้เขาจะเป็นหนี้เราก็ตามมันไม่ได้ สามารถมาลกน้นโดยอัตโนมัติได้ต้องให้เขา อ, อนุ ญ, ญาตกนนั่งสมาธิเหมือนเมือนจะวุ้ๆจะให้ผ่านจุดนี้ไปได้อย่างไรครับก็ให้มีสติดูนูพุโทโธดูลมไปดูพุโทโธไปอย่าหยุด น, นยอย่าไปสนใจกับอาการวุ้วหลวงปู่เจี้ยกับสมเด็จ ยานท่านเคยมาเยี่ยมพระอาจารย์ที่วัดไหมครับก็สมนงปูจเจ้นีสมเด็จพญานท่านนิมนต์มาอยู่จามรษาที่วัดยานตอนที่ก่อตั้งใหม่ๆสองสามปีแรกตอนที่ตั้งวัดยานนี้แล้วไม่มีสมเด็จพญายาช้ยมีพระวิปัสสนาเราเป็นหัวหน้าแล้วก็เมจากนงปุจเจก็เลยนิมนต์ท่านมาอยู่แล้วก็มาอยู่ให้สองสองวันสาม ก็แล้วก็เล่าให้เขาไปแต่แล้นนร้อยังให้ไรามาอยู่ที่วันนี้แต่ล้วเราอยู่อยู่ที่วัด่างบรรดาครับแล้วท่านสมเด็จมาบ่อยไหมครับอาจารย์ครับสมเด็จท่านก็มาเรื่อยๆช่วงที่ที่สร้างวัดใหม่ๆเพราะท่านต้องมามาดูเรื่องการก่อสร้างอาคารต่างๆท่านก็มาอยู่เรื่อยๆปีนี้นก็มาหลายครั้งด้วยกันครับ คุณสุดใจครับบอกว่าอยากถามพระอาจารย์ครับว่าคนเราถ้านึกด่าคนในใจนี่มันจะบาปไหมครับคำว่าบาปนี่มันอาจจะยังไม่บาปแต่มันก็ย <c oughs> ังถือก็ไม่ควคิดมันไม่น่ากุศลครับคุณมิ้งถามว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับการสะกดจิตแล้วระลึกชาติครับไม่สนใจไม่เคยคิดถึงมันเลยมันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเรา เราเราต้องการสีนชมนาที่ปัญญาให้หนึ่งคุณเฟื่องครับก่อนจะตายเราจะหมดลมก่อนหรือหัวใจหยุดเต้นก่อนครับอันนี้้องถามหมอดูคุณหลิงครับเวลาจะนั่งสมาธิกับเดินจงกรมต้องสวดมนต์ก่อนไหมครับน่าแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสว่วดนราจะทำให้ใจสงบ เดินโยกรมได้ผลดีกว่าแล้วก็สวยไปก่อนกนะ็ไดถ้าเราสามารถเดินโยกรมได้เลยถนะ้าเดยที่ไม่ต้องสวดแล้วทําให้มันสมบได้ก็ไม่ต้องสวดค็ได้แล้วแต่คุณแนนซี่ถามครับหนูรู้ว่ามีการเกิดแก่เจ็บตายแต่พอหมาหนูตายทําไมหนูถึงร้องไห้เสียใจยครับเพราะหนูไม่มีเบรคาไม่สามารถวางเฉยไนดะ้ครับไม่มีสมาธิความรู้นี้ยังไม่ได้เป็นวิปัสสนา จะเป็นมิปสญญาสนาได้ยังต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนขอานี้ยากถามพระอาจารย์ครับเวลาที่พระอาจารย์นั่งสมาธิพระอาจารย์ทําขั้นตอนอย่างไรครับเพื่อมีสติดูดลมไปเลยพอ n ั่งหลับตาล้วก็ดูลลมเข้าอกเข้าออ ก, ออกให้มันอยู่อารมณ์อย่างเดียวไปเรื่อยๆคุณพาเพลินครับบอกว่าทาแต่ความดีทุกวันทําบุญถือศีล แต่ฝันร้ายน่ากลัวบ่อยๆเป็นเพราะอะไรครับเพราะบุญเรายังน้อยกว่า บ, บากที่เราทำมาต้องพยายามทำให้ให้บุญมากกว่า บ, บาแล้วเราจะไม่ฝันร้ายการใส่บาตรหรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลหรือช่วยน้ำท่วมและอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับได้ผลบุญต่างกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกัน เจ้าแม่กวนอิมใช่ศาสนาพุทธไหมครับเขาเชื่อพระเจ้าแม่กวอิมนี้เป็นพระโพธิสัตว์พระติยปาเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตเหมือนกับพระเวชสันดร อ, อย่างนี้ยพระเวชสันดรพอตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์แล้วพอรองกลับมากลับมาเกิด เ, เป็นมนมุษย์ใหม่ก็ว่าเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็มาออกปฏิบัติธรรมแล้วก็ตัดสรมปเป็นพระพุทธเจ้าในอายุ35ปี ท้าภพทัสั์ทุกโลกก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นพระภิทิสัสก่อนสร้างบารมีสิทธิประการให้ครบพอบารมีสิประการครบพอมาเกิดในชาติสุดท้ายนี้ก็ได้ตัดสินเป็นมุตตเจ้ามาการฝึกสติจะทำให้รู้ตัวแม้แต่ในฝันไหมครับคุณลองดูวอาองก็เล่าให้ฟังคำถามนี้ไม่กล้าตอบเพราะแต่ละคนมอาจะไม่เหมือนกัน ร้านอาหารจับปลาในบ่อแล้วมาค่าแล่เนื้อทำกับข้าวขายเราไปทานปลาร้านนี้บาปไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขาค่าเพื่อให้เราโดยตรงหรือไม่เรามีส่วนกับการค้าหรือเปล่าถ้าเราไม่มีส่วนเขาค่าไปแล้วแล้วเรามาสั่งกินนี่มันก็ไม่ไม่ไม่บาปแป่อย่างใดแต่เพื่อความแน่ใจเราควรจะถามเมื่ก่อนดีกว่าครับว่ามีปลาที่ตายแล้วไหม อย่างจะกินช่องที่ตายแล้วเขาจะแยกไม่มีส่วนทำให้เขาตายเองถ้าเกิดน้ำมาสังแล้วเขาต้องมาฆ่าปลาที่ยังไม่ตายมาให้กัลังาให้มาบอไม่เอาดีกว่าดูข่าวน้ำท่วมแล้วร้องไห้ทุกวันวันนี้ตั้งใจปลงว่าทุกอย่างคือกรรมได้ไหมครับได้แต่จิตใจเราอ่อนไหวเพราะไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีรูเบคาใจไม่ตั้งมั่นใจไม่วางเฉย ผ่อไว้ไปกับอารมณ์่ อ, อนไว้ไปกับรูปเสียงจิตโน้ตธรรมคุณปุ๊กครับขณะนั่งสมาธิรู้สึกจิตรวมพยายามประคองสติให้มีสติระดึกรู้ตลอดเวลาแต่สักพักก็เข้าพาวังเหมือนหลับมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับอาจารย์ก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นอย่างง่ายๆจะน้องลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงจะ ไ, ได้ไม่หลับ คุณแม่อายุเก้าสิบสามปีป่วยติดเตียงเราจะให้แม่ทําบุญได้แบบใดบ้างครับก็เริ่มจาแม่แม่เราเป็นคนสั่งเองให้แม่มีเงินก็สั่งลูกได้ว่าเอาเงนนี้ไปถวายวัดหรือไปบอิจากให้โรงพยาบาลหรือทำอะไรก็ได้น่าจะน่าจะเป็นคนแจ้งเจตจำนงของเราว่าคุณแม่อยากจะทําดูอะไรก็บอกเราได้นะหนูยินดีรับใช้ยทำได้แต่ต้องเป็นความคิดของคุณแม่เอง เราเป็นเจตนาของคุณแม่อยากจะทําบุญแล้วต้องเป็นทรัพย์ของคุณแม่เองถึงแม้ท่านจะไม่ได้ไปเองเราไปให้ทําให้แทนท่านนีท่านก็ได้บุญอยู่ดีมันก็ท่านไปเองถ้าเห็นเงินของใครไม่รู้ตกอยู่ขณะที่กําลังใส่บาตรตัดสินใจไม่เก็บแต่ถ้าเก็บมาถวายพระบาปไหมครับก็มันไม่ใช่เงินของเราเราก็ไม่รู้ใรเป็นเจ้าของก็ถ้ากับเราไปเข้าเงินของเขามะ เราในเด็ก็อย่าไปอย่าไปแตะต้องบรรยกาศถ้าคิดว่าเป็นเศษกระดาษใบหนึ่งก็แล้วกันใจเผลอไปสงสัยในครูบาอาจารย์จะบาปไหมครับเช่นเผลอคิดว่าพระสงฆ์บางรูปท่านผ่านการมีครอบครัวมาก่อนท่านมีจิตเข้มแข็งอย่างปร่งวางได้คือถ้าคิดเป็นครูสอนันก็ไม่บาปนะถ้าเป็นนักกุศลแล้วก็บาปนะ ทำไมใจชอบคิดถึงแต่เรื่องที่ไม่ดีครับ น, นิสัยมันถาใจเป็นอย่างนั้นมันเคยคิดมันเคคิดแบบนั้นไม่ก็คิดแบบนั้นไปเรื่อยๆคุณศิริอ น, นันต์ครับการถวายน้ํามะพร้าวในช่วงบ่ายไปแล้วถือว่าเป็นน้ําปานะไหมครับไม่เป็นหรอกน้ําน้ําปานะคือน้อนําผลไม้ที่คันน้นแล้วต้องมีขนาดไม่เกินต่อ ป, ปั้น เช่นซ้ม อ, อย่างนี้ได้แอปเปิ้ลหรือองุ่น่างนี้ได้น้ำอาไรที่ปลไม้ ท, ที่ได้กรดคาร์บอนแต่ถ้านลไม้ ท, ที่ใหญ่ว่าเช่นมะละกอสับปะรดหรือมะพร้าวนี้เอามาคั้นเอาน้ำมาดื่นไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นน้ำตาลนะบางลทัทธิให้สำรวมวาจาโดยการปิดวาจาต่อเนื่องหลายวันอย่างนี้ได้อนิสง์อย่างไรครับ อันนี้สมสไม่ได้อยู่ที่การปิดวาจาแล้วไม่ปิดวาจามันอยู่ที่การหยุดความคิดต่างหากที่เราต้องการถ้าหยุดความคิดมันก็ไม่พูดอยู่ดีถ้าถ้าไม่ไม่ถ้าหยุดการพูดแต่นาาจะคิดในใจก็ได้บางคนถือการไม่พูดวาจาแล้วใครแต่ใช้การเขียนหนังสือเขียนจดหมายส่งให้กันแทนมีครับอยู่รื่อนหนืองตามที่วิญญาตาเจอท่านีก็บอกถ้าไม่พูดนะท่านจะไม่ท่านจะปิดวาจา แต่ถ้าจะเขียนทุกครัที่ท่านนําการสื่อสารกัวใครเนีย่ยแต่ผม่าีคือการปิดวาจาเป็นบุญมันไม่เป็นบุญป้าหมายคือการหยุดความคิดเปลี่ยนจากการวาจาหยุดวาจามาเป็นการเขียนหนังสือแทนก็มันก็ยังใช้ความคิดอยู่ดีครับผมเคยเจอครับท่านมาหาหมอครับท่านก็เขียนอาการผู้ปอง เข้าใจผิดไงท่านคิ่าการปิดวาจานี้เป็นกุศลกุศลอยู่ที่การไม่การไม่ใช้ความคิดถ้าไม่ใช้ความคิดมันก็ไม่พูดอยู่ดี้เราต้องมาแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือความคิดไม่ใช่ที่ไป ค, คือการพูดไปปิดวาจาแต่แปลว่ามันก็ยังห้ามความคิดไม่ได้อยู่ดีมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอยสื่อสารกับใครก็ส่งเป็นข้อความไป เราจะฝึกสติก่อนตายอย่างไรครับอ๋อต้องฝึกตอนนี้เลยเพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่เราจะตายเย็นนี้ก็ได้งั้นถ้าเราอยากจะฝึกสติต้องฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ต้องพุทโธพุทโธไปไรื่อีๆอยูรในใจถ้าถือศีลแปดนี้ดูมือถือได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราดูอะไรถ้าเรามีโทรศัพท์บ า, างเหน่อยก็ยังดูได้แต่ไม่ให้ดูพวกบันเทิงต่างๆ คุณแดงครับบอกว่าเราสวดมนต์หลายๆบทอย่างนี้เราต้องท่องนโมทุกบทก่อนไหมครับทำกมนได้ไม่ทำกัได้เดินออกกำลังกายพร้อมด้วยคำภาวนาพุทโธได้บุญไหมครับถ้านทำให้ใจนิ่งให้สงบไม่คิดฟุ้งซ่านก็ได้บุญ ผู้ป่วยนอนติดเตียงพูดคุยไม่รู้เรื่องมีวิธีช่วยให้ผู้ป่วยนั้นได้รับธรรมะได้ด้วยวิธีใดบ้างไหมครับเรื่องร้อยข้อหายก่อนระหว่างใส่บาตรกับพระสงฆ์กับให้อาหารคนอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับเท่ากันถ้าปริมาณของการให้เท่ากันเชให้อยา่ยางละอย่างละร้อยบาทให้กับพระร้อยหนึง่งให้กับโยมร้อยหนึง่งบุญก็ได้เท่ากันบุญระดับร้อยหนึง่ง ตอนนอนร่างกายขาดการติดต่อกับจิตตัวจิตของเราทําอะไรอยู่ครับยังอยู่ที่เดิมหรือไม่ครับจิตก็ใช้ความฝันมาเป็นอาเป็นอารมณ์แทนเป็นเครื่องอยู่แทนความฝันแค่อยู่ที่บุญที่มาที่จะทําให้ฝันดีและฝันได้ขึ้นมา เป็นซึมเศร้าเลยเกิดอาการเศร้าและไม่คุยกับพี่สาวเรื่องส่วนตัวพี่กโกรธมาเดือนหนึ่งแล้วทำให้ทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกครับก็บอกเขาเื่อว่าตอนนี้เราไม่สบายจิตใจไม่ดีต้องขออภัยด้วยให้เขาเข้าขใจกับเรียนถามบาอาจารย์การดื่มไวน์แม้เล็กน้อยเวลาสังสรรค์ก็ผิดศีลห้าใช่ไหมครับใช่แม่แต่หยดยังว่าถือว่าผิด ผิดมากผิดน้อยการนั่งสมาธิโดยการดูลมแล้วนับตามการเข้าออกของลมทําแบบนี้ได้ไหมครับถ้ายังยังไม่สามารถดูลมอย่างเดียวได้แล้วสามารถใช้ความการนับช่วยทําให้นั่งสมาธิได้ก็ก็ใช้ได้แต่ถ้าจะให้มันสง บ, บเต็มที่เนี่ยอาจจะต้องหยุดหยุดการนับแล้วก็ให้หยุดการลมหายใจไปอย่างเดียว ต, ตอนต้นตั้งใจมันไม่มันไม่ค่อยสงบมาคิดมากก็อาจจะใช้ความการนับมามามามาเสริมสติก็ได้แต่พอรู้สึกว่าใจเริ่มนิ่งแล้วใจไม่ค่อยคิดมากแล้วก็หยุดนับแล้วก็ค่อยอยู่ลมอย่างเดียวจะดีกว่าคุณกนกวันครับมีคนใส่ร้ายป้ายสีให้เราเสียชื่อเสียงแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำทั้งทั้ง น, นี้เราก็เพียรปฏิบัติอยู่ในสี่ห้า ใจคิดแต่ประโยชน์ส่วนรวมและไม่เบียดเบียนตัวเองที่เกิดเหตุเช่นนี้เกิดจากกรรมที่ติดตัวมาใช่ไหมครับโยมเชื่อเรื่องบุญกรรมครับก็มีส่วนอาจจะเป็นกรรมของเก่าเมื่อเราทําให้คนที่เขาแล้วรรรรรร่ากล่าวร้ายเราอาจจะมีอะไรเข้ามาในอดีตถ้าใชาก็ได้เนืออาจจะไม่มีก็ได้บางอาจจะเป็นการที่เรามาเจอคนแบบนี้ขึ้นมาก็ได้แต่ไม่สำคัญว่ามันจะไป็เกิดจากกรรมเก่าเนืออะไรก็ตาม ความสำคัญอยู่ที่วิธีปฏิบัติกับสิ่งเหลนี้ว่าเราจะทำอย่างไรวิธีที่ทำกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏมามันก็เท่าปัจจัยก็คือปล่อยวางทาใจเฉยๆใครจะว่าอะไรใครจะทําทอะไรเราห้ามก็ไม่ได้หลายคนว่าไปทําไปเยทําสมาธิแล้วตัวโยก ค, ครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะสติน้อยสตินั่นหมดแล้วใกล้จะหลับแล้ว ยกเกิดแบบดื่มถวายเป็นปานะช่วงบ่ายได้ไหมครับไม่ได้นะเพราะมันเป็นส่วนทํามาจากนมของที่ทํามาจากนมนี่ทางทางทางพระถือว่าเป็นอาหารนมนี้เป็นอาหารไม่ใช่เป็นไ ม, ไม่ใช่เป็นน้ําสไมมา้ไม่ใช่เป็นเคืงเงินสุขภาพไม่ได้เป็นยาเป็นอาหาก็เลยฉันไม่ได้ตอนบ่ายถ้าอยากได้ความสุขทางธรรม ต้องละความสุขทางโลกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ถือศีลแปดแล้วก็ไปฝึกสมาธิม่อยู่วัดมาอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมเอาเวลามาทุ่มให้กับการทำจิตให้สงบพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องการสะกดจิตตนเองแบบ manifest เพื่อที่จะทําตามสิ่งที่มุ่งหวังเป็นไปได้จริงไหมถ้านํามาใช้กับการปฏิบัติธรรมจะเป็นกิเลสไหมครับในทางพระพุทธศาสนามีคําสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับไม่มีหรอกศาสนาพู้ทธสอนให้เราทํำจิตให้สงบไม่ให้สะกดจิตให้มีสติ ร, รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นฆราวาสสามารถบรรลุโสดาบันถึงพระอนาคามีได้ไหมครับเป็นได้หลก็ได้อยที่ว่าเราไป สติปัญญาที่จะสามารถละสัมโยชต์ทั้งสิบข้อได้หรือไมการเดินจงกรมด้วยสติสามารถตัดภพตัดชาติได้ไหมครับก็เริ่มต้นมันจุดเริ่มต้นเป็นการฝึกขัดก่อนแล้วตัดภพตัดชาติได้ก็ต้องหยุดหยุดจิตให้ได้ทําจิตให้นิ่งให้สงบลนะความอยากให้ได้ถึงจะตัดภพตัดชาติได้ คุณกุลาครับถามพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วตัวชอบงอและเอ็นมาข้างหลังเป็นทุกครั้งที่ทําสมาธิแต่พอรู้ตัวก็กลับมานั่งตัวตรงเช่นเดิมลูกต้องทําอย่างไรครับควรปล่อยให้นางกายเป็นไปตามเรื่องของมันเวลาที่เราทําสมาธิไม่ต้องไปสนใจมันจะง อ, จ, องจะอเอ็นก็ปล่อยมันเอ่งอไปเอ็นไปอย่ากลับมายุ่งกับมันให้เราอยู่กับหน้าที่เรากําลังทําอยู่ ก็มีสติรู้อยู่กับพุโทโธลรู้อยู่กับลมหายใจเพีอย่างเดียวการฟังบทสวดมนต์ก่อนนอนได้บุญไหมครับก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งดันถ้าได้บุญหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าจิตเราสงบจากการฟังได้หรือไม่ถ้าจิตสงบ ก, ก็ได้ สวดมนต์ด้วยจิตที่สงบเท่ากันแต่ออกเสียงกับไม่ออกเสียงได้บุญต่างกันไหมครับก็อยู่ที่ผลเนี่ยคือจิตสงบกับไม่สงบจะออกเสียงก็ได้ไม่ออกเสียงก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันถ้าไม่ออกเสียงมันจะสงบเพราะถ้าออกเสียงนี่แสดงว่าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่เมัน to to ม่นร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็จะสงบไม่ได้แล้จิตสงบนี่ร่างกายต้องไม่ทําอะไร ให้เป็นการสวยไปภายในใจให้ใจใใเป็นผู้สวดเพอย่างเดียวถือสีแปดในวันพระแต่สีข้อแปดปฏิบัติแล้วปวดหลังครับขอเรียนถามว่าจะต้องทำอย่างไรครับก็ท่านอนุโลมก็อาจจะมีผูกบางๆาอกมาสักนิ้วหนึ่งอะไรได้เพื่อแก้การปวดหลังขนาดนั่งสมาธิได้ห้าถึงสิบนาที รู้สึกเหมือนวูบแล้วนิ่งได้ไม่ถึงนาทีแล้วก็อยากออกจากสมาธิควรทำอย่างไรครับก็ควรจะเริ่มใหม่ควรจะพุทโธใหม่ดูิ่มใหม่ถ้าอยากจะนั่งต่อไปถือว่าหมดไปรอบหนึ่งแล้วเราก็ทำรอบสมต่อไลยบนเขาเป็นสถานที่สั ป, ปายะมาก เราจําเป็นที่จะต้องแสวงหาที่สปายะอื่นซึ่งเราไม่คุ้นเคยและทําให้เรามีสติระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมครับก็แล้วแต่เราถ้เาเคิดว่าการไปอยู่ที่แปลกๆมันทำใเรามีสติมากขึ้นก็ก็ดีอีกราะบางทีเราอยู่ในที่ที่เราชินนะมันก็อาจจะทให้เราไม่มีสติเท่าที่ควรก็ได้มีผู้ถามบอกว่าหนังสือเข้าสู่แดนนิพพานมีขายที่ไหนบ้าง ครับอาจารย์ครับเขาจะต้องดาวโหลดจากจากเว็บไซต์นั้นเข้าสู่ไหนนี่คะนิ้วตั닷คอมเาเข้าไปาเราไปหาดูในลิ้มตา닷คอบคุณเข็มจีลาบอกว่าคนดีผีคุ้มเทวดาคุ้มครองเป็นจริงหรือครับคนดีนั้นต้องถือศีลเพียงอย่างเดียวหรือจะต้องมีทานศีลภาวนาเป็นประจำครับ เราคนดีเ น, นี่ชนี้หมายถึงคนที่มีความเมตตาอันนี้สองของคนที่มีความเมตตานี้ก็เกิจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาจะเป็นเที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนที่มีความเมตตากังวลกับภัยวิบาก ท, ที่จะเกิดขึ้นครับจะทํายังไงให้มีวิตกครับต้องปร่งอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ช่วงนี้ผมได้กลับมาฝึกนั่งสมาธิได้ประมาณหนึ่งเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากออกจากสมาธิคือการเห็นภาพบาปในอดีตซึ่งรบกวนจิตใจมากทาให้บางครั้งไม่กล้านั่งสมาธิอีกมีวิธีจะทำให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรครับก็ใช้สติหนึ่งกลับมาเนี่ย้วลาไปเห็นอะไรก็แสดงว่าวเราไม่มีสตินะเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธนึงกลับมามันก็จะกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้ ใจไม่ค่อยผ่องใสต้องทําอย่างไรครับเหมือนเบื่อสิ่งที่เคยทําครับก็ต้องทาใจให้สงบใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขจะมีความผ่องใสหรือฟวามเทศความธรรมบ่อยๆก็ช่วยได้อันที้สองการช่างธรรมก็จะทําให้จิตสงบผ่องใสได้เหมือนกันจิตสงบกับจิตมีสติอย่างไหนสําคัญกว่ากันครับก็ต้องมีสติก่อนถึงจะสงบ เราไม่มสติก็จะสวดไม่ไดพะะ้พระจะพระเจริญพุทธมนต์เราสวดตามเสียงดังจะบาปไม่ค้าบหากเสียงเรารบกวนกระทบผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจครับไม่กวนมันมารยาทเรามีหน้าที่ฟังไม่ใช่มีหน้าที่สวดก็จะสวดร อ, อกลับไปบ้านมาเราสวดให้พอเลยสวดทั้งคืนทั้งวันก็ได้ แต่เวลาไปในงานที่ก็มีการสวดล้วก็นั่งฟังป ร, ประมณูฟังไปถ้าจะสวดก็สวดบบภายในใจก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรคุณแอนครับบอกว่าตอนบั้นปลายหากต้องเจอภาวะสมองเสื่อมธรรมะที่เราเคยเรียนรู้เคยเข้าใจเคยเจริญสติได้เราจะไม่สามารถภาวนาต่อได้แล้วหรือเปล่าหรือความเข้าใจนี้ถูกสะสมที่จิตไม่ใช่ที่สมองครับอาจารย์ อยู่ในจิตมันไม่เลีกที่สงบเวลานั่งสมาธิแล้วมีสติกำหนดพุทโธและนิ่งแบบนี้ถือว่าได้สมาธิไหมครับ้านิ่งสงบก็ก็เรียกว่าได้สมาธิกับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์ที่เราเคารพนับถือมานานมีข่าวเกี่ยวกับศีการในวัด ทำให้มีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าท่านปฏิบัติผิดธรรมวินัยหรือเปล่ากับเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรครั บ, รบถ้าควรทายออกมาก่อนก็ได้เวลานั่งสมาธิมีอาการเย็นมากๆครับและตัวแข็งมากสักพักก็ตัวร้อนเหมือนไฟและมีอาการตัวอ่อนมากสักพักก็ไม่กลิ่นหอมกลิ่นดอกมะลิหอมตลบอบอวนมากๆอยากทราบว่าคือสภ า, าวะทมอะไรครับ ไม่ต้องัปสนใจหรอกให้เรากลับมาที่พุโทโธแล้วเราหายใจเพลงอย่างเดียวนี่ว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็แล้วกันกินกาแฟแล้วตาค้างนอนไม่หลับตอนนี้ใจสั่นมากตอนนี้ผมควรทำยังไงจะภาวนาได้ไหมครับรู้สึกเครียดครับก็อย่าไปอยากหลับความอยากเรามันทาให้เราเครียดถ้ามันไม่หลับเราก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิไป การทำทานโดยการบริจาคทรัพย์แต่ขอใบอนุโมทนาบัตรถือว่าวจิตนี้มีโลภะไหมครับถือว่าเราอยากทวงคืนไงเราทำบุญบ้อบาทแต่ขอขอข อ, ขอทวงคืนสิบบาทนี่ก็ถ้า เ, าเราทำแค่เก้าสิบบาทพยายามดูลมดูกายตลอดเวลาเวลากระทบอะไรจะเบาจนแทบไม่รู้สึก ถ้าเวลาขาดสติไปก็มีธรรมที่ฟังจากหลวงปู่มาระงับถ้าชาติหน้าไม่เจอาศาสนาไม่เจอผู้ฉลาดสอนผมก็จะทุกข์หนักเลยใช่ไหมครับก็ถึงเรื่องาไดเรียนนนมันง่าจะติดไปกับเราได้เหมือนกันพระอาจารย์นั่งสมาธิไม่ได้ท่องพุทโธนั่งดูลมอย่างเดียวใช่หรือเปล่าครับทั่วญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งก็ใช้พุทโธบ้างบางครั้งก็ใช้ อาการสาสิบองมากแล้วแต่หลวงพ่อวันชัยวัดภูสังโคท่านเทศเหมือนพระอาจารย์เลยครับท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ล่วงลับไปเหมือนแสงสว่างดับลงเรื่อยๆมัวรออะไรอยู่ทำไมไม่หาทางปนทุกข์อาจารย์ก็บอกบ่อยว่าชาตินี้ให้รีบปฏิบัติครับใช่เวลาไม่ค่อยใครจำคำนี้ไว้เวลาไม่คอยใครเวลาอเราจะหมดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ และรีบทำเท่าตอนนี้ในขณะที่เยังมีเวลาที่จะทําได้หากปัจจุบันเราหมั่นทําแต่ความดีความเชื่อเรื่องผลจากกรรมเก่าในอดีตชาตินั้นจริงแท้หรือไม่ครับเพราะเรานั้นไม่รู้การกระทําหรือเจตนาของการกระทําในอดีตครับคือกราหลักทางคาสาร ม, มันคือเป็นของจริงกรรมหลักๆที่เราทำมาในอดีตมันก็จะสะสมอยู่ในใจของเราจนกว่ามันจะส่งผลมันถึงจนหมดไป แม้ว่าเราจะปฏิบัติทางมขั้นไหนก็ตามเราก็ยังต้องเจอกับวิบากได้เสมอไม่แต่พระพุทธเจ้ายังต้องเจอกับวิบากพระเทวทัตพยานมงค์พระชนอยู่ถึงสามครั้งด้วยกันการนั่งสมาธิแบบวิปัสนาควรมีแนวทางอย่างไรครับมันไม่ใช่วิบากวิปัสนาสมาธิก็สมาธิวิปัสนาก็วิปัสนาเป็นคนละมิชากันครับ นั่งสมาธิเพื่อทําแต่ให้นิ่งให้สงบวิปัสสนาเพื่อให้ใจเกิดเห็นไตรลกักเห็เนอริยสัจ ส, สี่เพื่อจะได้นะความอยากได้ยขอาา้อขาดขาปอาจารย์คนอ้วนนอนหลับมักหายใจติดขัดฝันร้ายเป็นบางครั้งจะเกี่ยวกับบาปบุญที่เราทํามาหรือไม่ครับถ้าฝันง่ายก็เป็นผลผลของกบาปที่เราทํามา เป็นตัวที่ทำให้เราฝันได้ถ้าให้ทานในขณะเดียวกันตนเองก็ลำบากแต่มีความสุขเวลาให้ทานเสมออย่างนี้จะได้บุญไหมครับเช่นหนูซื้อข้าวมากินเองแต่เอาไปให้คนที่กำลังคุยขยะหาอะไรกินครับก็ถ้ายังเรายังไม่เดือดร้อนก็ทำไปก็ได้บุญเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยท่านมีหลายท่านเย็นดีที่ซื้อสลับไป เอาเงินให้คนกู้เพื่อได้ดอกเบี้ยถือว่าบาปไหมครับไม่เราเป็นการค้าขายเราขายเงินให้ก็ยืมเงินไปแล้วเราคิดค่าเมืาา่อถธนาคารเนี่ยธนาคาราก็เก็บดอกเบี้ยเราที่เราไปกู้เงินจากธนาคารถ โอกาสครับเวลาไปปฏิบัติธรรมมักจะเห็นหลวงพ่อและพระอาจารย์มาหาให้ช่วยสำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปเป็นเพราะอะไรท่านมาหาจริงๆหรือว่าจิตเราคิดไปเองครับก็อย่าไปสนใจนะก็รู้เฉยๆก็แล้วนท่านมาแล้วโนท่านไปก็ให้มัปผ่านไปแค่น้อย่ามาคิดให้นหนักอกใจ นั่งสมาธิเจริญปัญญาทอบชุมจิตใจให้สงบแต่ช่วงนี้มีหัดสวดปาติโมกแล้วรู้สึกกังวลใจเพราะอยากจะสวดให้ได้มีวิธีไหนทําให้ทําไปควบคู่กันได้ดีครับเราก็ต้องถ้าเราอยากจะสวดปาติโมกเราก็ต้องวางงานอย่างอื่นไปก่อนทุ่มเทให้กับการสวดไปอย่างเดียว การมีโรคภัยแสดงว่าเรามีกรรมใช่ไหมครับตอนนี้พากินสันมาเยี่ยมเยือนแล้วครับมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะการมาเกิดนี่ถึงที่มันแน่นอนคือต้องมีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนจะมีมากมีน้อยมันก็มีหลมยมนมีเหตุมีปัจจัยหลายด้านอาจจะเป็นทางกายภาพของร่างกายเองก็ได้อาจจะเป็นกรรมเก่าที่เราทำมาก็ได้ หากลูกยกตัวอย่างว่าลูกเจอพระอาจารย์แล้วพูดกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มาที่นี่อีกนะเจ้าคะลูกจะบาปที่ใช้พระอาจารย์ให้มาไหมครับบาปจากการใช้พระอาจารย์ครับก็ลองที่มนต์พระได้ส่วนท่านจะมาไม่มาก็เป็นเรองท่านอีทีเรียนถามพระอยู่ที่วัดไม่สวดมนต์ทำผิดโยมสามารถบอกพระได้ไหมครับ เราเป็นเจ้าว่าหรือเปล่าอย่าไปเสียเวลาพูดเลยเขาไม่ฟังเราหรอกวันจะฟังแต่เจ้าว่านีพลงออกมาเดียวในวันพระอาจารยมีบทสวดช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไหมครับก็ช่วยให้มันเทาความทุกข์ทางใจได้อยู่เท่านั้นเองแต่ร่องทางกายนี่ก็ต้องเป็นใบาตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราสวดมันตามใจให้สงบได้ เราก็อยากลดความทุกข์ลงไปมากกว่าครึ่งเราะความทุกทางกายนี่มันน้อยกว่าความทุกข์ทางใจเราส่วนบ น, นน้ำหนักความทุกข์ทางใจได้เราก็จะรู้สึกอาการทุกข์ทางกายนี่พออยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนถ้าจิตเป็นอุเบกขา จิตจเฉยๆกับทุกเรื่องแม้แต่ความรักต่อคนในครอบครัวก็จะเฉยๆแต่เราก็รู้ว่ามีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้เพราะมองทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นเรื่องปกติของจิตหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่แต่เฉยอย่างเดียวถ้ามีภาวะที่ต้องมีความเมตตาก็มีเมตตาได้ถ้ามีภาวะที่ต้องมีการกัลาก็มันก็ออกมาได้มันไม่ใช่เฉยแบบแข็งทื่อไปอย่างนั้น มันมันเฉยในเวลาที่ไม่มีเ้ราะอะไรต้องทำมันก็เฉยๆไปแต่ถ้ามีเหตุการณ์นี้ทําทให้ต้องมีเมตตาก็แนางเมตตาได้ถ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องให้มีแสดงกามคารุด า, า, า, าก็แนางได้เมื่อเราฟุ้งซ่านแล้วดึงจิตกลับมาถึงฐานความฟุ้งซ่านนั้นจะกลับมาอีกไหมครับลืมไปเลยไหมครับมันมันก็เป็นของเชื่อคาเพราะเราออกจากฐานพอเราไปปล่อยมัน ม, มีสติไว้มันคิดเดี๋ยวมัวก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาใหม่ได้สติยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีตลอดเวลาถึงจะควบคุมจิตได้ตลอดเวลาการนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจจําเป็นต้องกำหนดลมหายใจให้ยาวหรือสั้นไหมครับไมใ่ให้ปล่อยไปเป็ น, านตามธรรมชาติของลมลมสั้นหรือยาวก็ปล่อยให้ค่อยสั้นไปยาวไปเราอย่าไปบังคับมัน ชอบแฟนคนอื่นครับแต่ไม่ได้หวังครอบครองแต่ความรู้สึกดีๆให้กันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ผิดสีไหมครับก็ยังนะแต่ไม่งั้ก็ไม่ควรนะอย่าไปชอบมากเลยชอบแบบธรรมดาแบบชอบแบบคนทั่วไปดีกว่าเพราะคนที่เขามีแฟนแล้วเราไปชอบเดี๋ยมันอนาจจะกลายเป็นความอยากได้เขามาเป็นแฟนเราก็ได้ถ้าไม่อันจะเกิดปัญหาขึ้นมา ศีน์แปดดื่มกาแฟดําหลังเที่ยงได้ไหมครับได้ถ้าความคิดเกิดเราต้องบังคับที่จะไม่คิดหรือเราควรดูความคิดครับถ้าเราอยู่ในขั้นสมาธิเราก็วควรที่จะควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดถ้าเราปฏิบัติขั้นสมาธิเพรเราต้องการให้จิตนิ่งสงบจิตจะนิ่งสงบได้ต้องไม่คิดอะไร แต่ถ้าเราอยู่ขั้นี้ปัสสนานี้เราเราต้องคิดแต่เราให้มันคิดไปในทางธรรมะมคิดในทางไตรลักคิดในทางอริยาาสัจสิเป็นคาลือหัดแล้วพยายามละสังโยชน์ให้ได้มากที่สุดเป็นไปได้ไหมครับได้เป็นไปได้ การเรียนสอบถามครับผมฝึกสมาธิจากการฟังธรรมหลังจากนั้นก็มาทําสมาธิต่อโดยมีสติอยู่กับลมหายใจตามคําสอนเวลาออกจากสมาธิในระหว่างวันผมก็พยายามนําสติกับมากับงานที่ทําแต่ก็ยังมีหวั่นไหวไปกับอารมณ์เวลาเกิดอารมณ์ผมควรทําอย่างไรครับเช่นเวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาในใจหน้าที่ต่อมาคือห้ามกายวาจาไม่ให้แสดงออกมาเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับก็ต้องใช้สติเหมนเครื่องพ่า กพออารมณ์ขึมาเราก็มีการพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดเห็นเรื่องที่ทําให้เรื่องอารมณ์ที่เรากระทบกับเราปเดี๋วอารมณ์นั้นก็จะหายไปแล้วก็มีสติคอยห้ามไม่ให้พูดไม่กระทำอะไรในในในในในในในการกระทําที่ไม่ดีไม่พูดไม่ดีในสมบัตอารมณ์สมบัติกายวาจาใจไว้ เทวดาประจำตัวมีจริงไหมครับไม่มีหรับดวงวิญญาณยังมีขันอยู่ไหมครับมีมีนามอาการเสี่ยเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีรู ป, ประกันในชีวิต จ, จริงไม่กล้าทำสิ่งที่น่าละอายแต่ในความฝันจริงกล้าทำเป็นเพราะอะไรครับ มันเป็นใจเรามันยังมีความอยากทำอยู่พ่อป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายการรักษาเพื่อระ ง, งับความเจ็บป่วยและหลับอย่างสงบต้องให้มอร์ฟีนอย่างนี้ลูกๆบาปหรือไม่ครับก็ถ้าให้ในระดับที่ไม่ทำให้ตายก็ไม่บาป ผมสังเกตว่าหลวงตาท่านมักจะกล่าวชมเชยพระที่สันโดษมักน้อยเช่นหลวงปู่หลุยและพระอาจารย์และพระผู้ใหญ่ที่มีสมณศักดิ์แต่มักน้อยไม่สะสมเพราะเหตุใดหลวงตาท่านจะเน้นเล่นสมถะสันโดษเป็นหลักครับเพราะมันเป็ น, น, ปนแกนแกนของพว ข, ของนักบวชการที่จะเป็นนักบวชที่ดีได้ต้องมีความมักน้อยสันโดษวิปัสสนา ฝึกให้เกิดปัญญาเป็นขั้นกว่าของสมาธิใช่ไหมครับผู้ถามปัจจุบันพยายามรักษาศีลให้ครบข้อไม่ได้นั่งสมาธิขั้นต่อไปจากรักษาศีลคือนั่งสมาธิหรือฝึกวิปัสสนาครับต้องนั่งสมาธิก่อนให้จิตสงบก่อนแล้วค่อยไปวิปัสสนาอขอปัญญาเรื่องการภาวนาตายว่าภาวนาอย่างไรครับคือให้เราลึกถึงความใตแบ่อย เ, เครื่องเตือนสติเป็นสติอย่างหนึ่งเมื่อเราเราจะเริเตรียมตัวเตรียมใจเวลาถึงเวลาตายเราจะได้ไม่ทุกข์หาใจเรื่อยเราต้องตายแล้วเราต้องตายแเราต้องตายเดินใจไปเรื่อยจ่าเป็นถามพระอาจารย์ครับตัวที่อยู่เหนือธาตุรู้มีไหมครับไม่มีธาตุรู้ไม่เป็นตัวรู้ พระสงฆ์ขณะเดินบินทบาทมีสตรียื่นถวายร่มกันฝนให้ถ้าพระสงฆ์องค์นี้รับจะอาบัติหรือผิดวินัยใดๆไหมครับไม่หรอกก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งของญาติยมศารพระภูมีเจ้าที่อยู่จริงไหมครับมันมีความเชื่ออาจะไม่มีแล้วคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับ อ่การบวชชีพราหมณ์กับบวชปรองผมต่างกันหรือไม่ครับก็ต่างกันนิดนึงถ้ามันยังไม่บวชบวชแบบไม่ปรองผมวัสนาเขายังไม่เอาจริงอาจาังเขายังอาจจะบวชแค่ชั่วคราวเส้นสามวันห้าวันแต่ถ้าบวชคนแบบคนหัวหนี้หมายถึงยามพวกที่จะบวชนา น, ปนไปเลยพวกเป็นแม่ชีปไปเลย ขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ422ใน u 580ในขับ8นะครับในทิกตอก493รวม 1,503 คนนะครับผมเริ่มอ่านคำถามแรกเวลา20 11นครับรอาจารย์ตอบไป146คำถามครับอาจารย์วันนี้ตอบเยอะหน่อยนะก็ ย, ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนทนามาถามถา ม, ถาม ตามคมถามต่างๆมอว่าคงจะเป็นประโยชน์นั้วนมาปใช้ในการปฏิบัติ ต, ต่อไปได้ดีขึ้นการส น, นทาสนาธรรมตลอบวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านยงนาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาสาธุต่อไปนี้ก็ขอลาคุณหมอและท่านะผู้ชม เ้าผู้ฝากไว้เพีงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุฉัดช่านัันใดก็คงจะได้พบ ก, กันอีกเช่นเคยใดวันและเวลาเดียวกันคืออาทิตย์หน้าพร้พอเจริญพรมากับพระคุณพระอาจารย์ครับ